กลางออกมาอย่างนี้แล้วมันก็ต้องยอมรับกันเหมือนกันเพราะนั้นวันวันที่เกนะ้าน่ะจะนัดบ่ายโมงวัดหนองป่าน้องกองอันนี้คือสร้างท้าวรวัตถุท้าวรวัตถุในถ้าเราไม่รู้จักการวางตัวกับท้าวววัตถุเนี่ก็ทําให้ติดหนับเหมือนกันนะอผลที่สุดก็ไปไหนไม่ได้อีกเหมือนกัน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 ตีคลองตีกองตีละคังเพระว่าหลวงพ่อได้ของแล้วงี้นเขาก็ตีคลองมุ้งตึ ง, งทางช้างทางมา้าทางวัวทางควายมันไม่เคยได้ยินเสียงกลองใช่ไหมมันกระโดดเป็นคนะทา ง, งเอยเชือกเช่นนั้นกับมัดคอหลวงพ่ออ้ยขาดลงจากธรรมชาติเหมือนกันเลยหลวงพ่อยังไม่ได้อะไรหลวงพ่อคอขาดก่อนเหมือนกนเลยนี่แหละนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าย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 แต่ตัวเองเห็นว่าตัวเองจนเดินนี้เลยนี่จะมากินกับหมูต่อไปไม่มีหมูมีเพื่อนเพราะเหตุไรเพราะคนไม่มีน้ำใจเพราะนั้นน้ำใจเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญที่เห็นไหมหลวงตาลูกหลวงตาที่ยืนที่เขียนทไมการเสียเปียบคนนั่นแหละคื อ, อ, อคือเมตตาการเสียเปียบคนนั่นแหละคือเมตตา